ท่านก็บอกว่าโลกนี่ภยัยสิ่งที่มันน่ากลัวมากที่สุดสิ่งที่มีโทษมากที่สุดคือโมหะนั่นนะเพราะโมหะนั่นแหละถ้าโมหะเกิดเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรโมหะเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีเยี่ยมของมิจฉาทิฐนะิโมหะนะผู้ที่ท่องเที่ยวในอารมณ์ด้วยโมหะมากๆคนนั้นจะเป็นที่ถิจริตคนที่เพลิดเพลินในอารมณ์มากๆคนนั้นจะเป็น ราคาจริตนี่แนละก็จริตก็มีสองก็วนอยู่อย่างนี้แหละจากอันนะหาที่พักใหม่ไปเรื่อยใช่ไหมนนะมีที่อยู่แล้วคือขันท้าก็หาที่พักใหม่ไปเรื่อยนะพักในรูปบ้างพักในเสียงบ้างหาที่พักไปเรื่อยอันไนะเจอรังมดแดงก็ลำบากนั่งไม่สนุกเลยครันี้ดูในสังยุตติกายขันทวรวักรต่อนะ ปฏิสันลาณสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกออกเร้นดูก่อนพิสูทั้งหลายพิษูผู้หลีกออกเร้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็พิสูย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างไรย่อมรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาเนี่ยที่เหลือก็ในยะเดียวกัน อัตถกถาที่บายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมจากกายาวิเวกแล้วทรงทราบว่าเมื่อเมื่อพวกเธอได้กายาวิเวกกรรมาฐานจักเจริญนั่นแหละถ้าถ้าได้กายาวิเวกก็จะดีเองเพราะว่าผู้ที่เสื่อมจากกายาวิเวกก็แปลว่าเป็นผู้ที่คลุกคลีมากใช่ทีนี้โดยทั่วๆไปแล้วการคลุกคลีเนี่ยจิตจะห่างไกลาจาก สมถะและวิปัสนาอย่างพิสุเหล่านี้ที่กล่าวนี้ถ้าท่านเหล่านั้นได้วิเวกท่านก็ไม่เสื่อมจากสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะก็สา ม, มารถตรัสรูม้มรรคผลได้ส่วนอุปาทานะปริตัสนาสูตรเนี่ยนะอุปาทานก็แปลว่าความยึดมั่นปริตตสะเนี่ยนะปริตตสนะเนี่ยก็หมายถึงความสะดุ้งกลัวเนี่ยนะ เนื้อความว่ากรุงสาวัตถีคือคำเนี่ยเขาย่อและเอวามีสุตังเอกังสมายังอะไรเนี่ยนะเขาย่อมาให้เหลือสาวัตถีย่างศัพท์เดียวเนี่ยนะก็ ร, รู้กันว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นะเมืองอวัดเชตวันเนี่ยนะใกล้เมืองสาวัตถีอารามของอนาถาปิณิกาเสตีเนี่ยนะก็ถือว่ารู้กันแนหะก็ตอนหลังก็เหลือสัพท์เดียวว่าสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงความสะดุ้ง เพราะความถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะที่สะดุงเพราะเพราะถือมั่นใช่ไถ้าไม่สะดุงก็เพราะไม่ถือมั่นอันนี้เป็นหัวข้อที่จะจะแสดงต่อไปเพราะงั้นเพราะฉะนั้นให้ฟังให้ใส่ใจให้ดีนะจากล่าวคาว่าสะดุ้งและถือมั่นเนี่ยเป็นวัตถกถาเนี่ยนะก็คือวัตกถาก็เท่ากับอธิบายอะไร ทุกขับสมุทัยศัตว์นี่นะถ้าไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นก็แสดงมกษัตรกับนิโรสัตว์นั่นเองนี่นะดูก่พิสูจน์ทั้งหลายก็ความสะดุ้งเพราะความถือมัน่นย่อมมีอย่างไรดูกรพิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับแนะนําในอริยธรรมไม่ได้เห็นสัตว์บรุรษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตว์บรุษ ไม่ได้รับแนะนำในสัพปริสธรรมย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนมีรูปย่อมเห็นรูปในตนย่อมเห็นตนในรูปรูปของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปของเขาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณคือกรร ม, มวิญญาณเนี่ยจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูป ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมะที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปย่อมครอบงำจิตของปุตุชนนั้นตั้งอยู่เพราะถูกจิตครอบงำปุตุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะถือมั่นเนี่ยน ะ, อ, ะอีกสำนวนหนึ่งของคาว่าอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบพบเป็นปัจจัยแก่ธาตุเนี่ยนะอีกสำนวนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่จริงๆก็ต้องการอธิบายตรงนั้นว่าไอ้ความสะดุ้งความกลัวความหวาดเสียวนี่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงพบะนะที่จะเป็นปัจจัยแก่ชาติหลังจากมีชาติก็สะดุ้งกลัวเข้าไปอีกเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แหละผู้ที่เห็นรูปด้วยอำนาจของตันหาและทิฏฐิเนี่ยนะเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในในขันทั้งหลายเมื่อขันเหล่านั้นแปรไปก็ก็อย่างนี้แหละมีทุกเป็นเบื้องหน้าเห็นเวทนาโดยความเป็นตน เห็นสัญญาโดยความเป็นตนเห็นสังขารโดยความเป็นตนเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเนี่ยนะก็เห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณก็เท่ากับกล่าวว่าสกายะทิถิทั้ง20นั่นแหละวิญญาณของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปนะวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณ อันนั้นจริงๆแล้วนะถ้าจิตแปรปลวนนี่ถามว่าเราเดือดร้อนไหมโดยเฉพาะผวังขจิตนะถ้าผวังขจิตแปรไปเมื่อไหร่นี่เราจะเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยนะผวังขจิตนะถ้ามันเกิดดวงสุดท้ายเรียกชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกชื่ออะไรจุติจิตอันนัถ้ามันเป็นดวงสุดท้ายนะถ้าผวังอันนั้นเป็นดวงสุดท้ายเรียกว่าจุติจิตเนี่ยนะถ้าเกิดถึงว่าลืมหลับตาเสร็จแล้วไอผวังมันเลิกทํางานเนี่ยนะ เดือดร้อนแน่บางก็สะดุ้งอีกล้เหมือนันเพราะความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมะที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณย่อมครอบงําจิตของปุตุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงําปุตุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นดูกราฟพิสูจนทั้งหลายความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แหละเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นการกล่าวทุกกับสมุทัยอย่าง บริบูรณ์แล้วว่าวัตตาทั้งหลายมีอย่างนี้แหละก็มีอยู่เท่านี้จริงๆนะดูกรพิสูจนทั้งหลายก็ความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีอย่างไรดูกรพิสูจนทั้งหลายอริยะริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยทั้งหลายผู้ฉลาดในธรรมะของพระอริยะผู้ได้รับแนะนาดีแล้วในอริยธรรมคาว่าแนะนำเนี่ยมาจากคาว่าวินัยนะ วินัยเนี่ยมีสองอย่างคือสังวรวินัยกับปหาณวินัยสังวรวินัยมีห้าอย่างปหาณวินัยก็มีอีกห้าอย่างรวมเป็นวินัยสิบอย่างผู้ที่ได้รับวินัยสิบอย่างในธรรมะของพระอริยเจ้าเนี่ยผู้เห็นสัตว์บุรุษฉลาดในธรรมะของสัตว์บุรุษผู้มีวินัยทั้งสิบอย่างของสัตว์ปุรุอย่างนี้นะย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนนะ่ไหม ย่อมไม่เห็นตนมีรูปย่อมไม่เห็นรูปในตนย่อมไม่เห็นตนในรูปก็คือไม่ได้เข้าไปมีตันหามานะัทิฐิในรูปประขันเลย น, นะเนื่องจากอะไรที่ที่ท่านไม่เข้าไปเห็นหรือไม่เข้าไปเพลิดเพลินด้วยอำนาจตันหาและทิถิในรูปประขันเนื่องจากท่านมีวินัยสิบอย่างเนี่ยนะคือวินัยสิบอย่างนี่มาอุ้มเอาไว้นะเพราะฉะนั้นรูปของอริยาสาวกนั้นย่อม แปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมะที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยะสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยะสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความลำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเห็นไนะ ท่านท่านก็ไม่มีตันหาและอุปาทานในในรูปประขันถ้ารูปประขันเปลี่ยนไปนะก็ไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ได้สะดุ้งอะไรเพราะท่านเห็นธรรมะที่สงบประงับจากความสะดุ้งทั้งมวลอยู่แล้วเนี่ยนะนะอันนี้เท่ากับแสดงอะไรมักขสัตต์กับนิโรสัตว์เนี่ยนะนะส่วนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ก็นิย่าเดียวกันเนี่ยนะนะก็คือการเข้าไปพิจารณาขันห้า พระอริยะทั้งหลายต่างจากปุตุชนตรงไหนนี่เพิ่มอีนิดหนึ่งนะว่าปุตุชนกับพระอริยะ่บุคคลสองคนเนี่ยต่างกันตรงว่า ปุทุชนเป็นไปกับสกายะทิฐิ20สเนี่ยนะส่วนพระอริยะมีวินสิ 10, เนี่ยน ะ, ะความปฏิบัติเขาจะแตกต่างกันตรงนี้สกายะทิฏฐิ20เนี่ยเป็นฉนัหนเห็นรูปโดยความเป็นตน เห็นไหมก็แรกก่อนนะเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นยังไงจึงเรียกว่าเห็นรูปโดยความเป็นตนก็บอกว่ารูปอันใดอัตตาก็อันนั้นคือหมายความว่าตัวเราเองคือรูปรูปคือเราเราคือรูปอนะก็อันนี้แหละพวกเนี้เหมือนอะไรเหมือนบุคคลที่เห็นเปเลวไฟอนะ คือเปลว อ, อันใดไฟก็อันนั้นใช่ไหมไฟกับเปลวเนี่ยต่างกันไหมอันเดียวกันเลยนะตัวไฟกับตัวที่มันลุกเพิบๆขึ้นมานะยังไงไฟมันลุกอย่างนี้หรือเปล่าเคยจุดเทียนไหมอย่าง น, น, นคือคือเห็นว่าไอ้ตัวเปลวที่มันลุกกับตัวไฟนั้นคืออันเดียวกันผู้ที่เห็นรูปโดยความเป็นตนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะว่ารูปคือตนตนคือรูปเนี่ยนะ แล้วข้อสองอีกเป็นไงตนมีรูปนะตนมีรูกนะนะตนมีรูปมีลูกเหนไหตอนอันนี้หมายถึงอะไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันคือนามขันสีนั่นเองเห็นว่านามขันศีเป็นเป็นตนตนเนี่ยมีรูปขันตอนอันนี้มีรูปเห็นไหมเหมือนอะไร เหมือนอต้นไม้มีเงาเห็นไหมคือเงาก็อย่างหนึ่งต้นต้นไม้ก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้อัตตาคือนามขันศีลมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ยเป็นตนตนเนี่ยมันมีรูปเหมือนกับต้นไม้นี่มันมีเงาอ น, นอย่างอย่างผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังจากความตายนะ ก็บอกว่าไอ้รูปมันไม่ใช่ตัวคุณจริงๆหรอกน้ําอ่ะวิญญาณอ่ะเป็นตัวของคุณจริงๆนะวิญญาณมันก็ล่องลอยออกไปจากรูปวิญญาณมันก็ไปเอารูปอันใหม่ไปมีรูปอันใหม่ก็จะแปลที่บายแบบนี้จริงๆก็จากส ก, กายะอันหนึ่งไปหาส ก, กายะอีกอันหนึ่งเนี่ยนะที่สามอะไรเห็นเห็นรูปในตนใช่ไหม เห็นรูปในตนเหมือนอะไรเหมือนกับอ่านะคือกลิ่นในดอกไม้เห็นไหมคือตัวกลิ่นกับดอกไม้นี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันอยู่ข้างในดอกไม่รูปเหมือนกันเนี่ยไม่ได้คิดว่ารูปอะเป็นอัตราอะไรแต่คิดว่าไอเวทนาเป็นต้นเนี่ยเป็นอตัตราแต่ว่า รูปเนี่ยมันอยู่ข้างในอัตตาเนี่ยนะส่วนประเภทที่สี่ก็คือเห็นตนในรู ป, รปเห็นตนในรูปก็เหมือนกับในขวดเนี่ยมีแก้วมนนันีเนี่ยนะขวดก็อย่างหนึ่งนะแก้วมันีก็อย่างหนึ่งรูปเนี่ยนะ ตัวรูปเนี่ยเหมือนขวดอัตราจริงๆของตัวเองเนี่ยเหมือนกับแก้วมันีอ่ะมันอยู่ในขวดเหมือนกันใชมนันก็ค้นหาอัตราให้พบก่นนะก็สําคัญว่านามขันทั้งหลายนี่เป็นอัตราพอสําคัญว่านามขันเป็นอัตราก็มองรูปเป็นเหมือนกับภาชนะที่ใส่ที่ใส่อัตราเนี่ยนะ ผู้ที่เห็นรูปว่าตนก็คือรูปรูปก็คือตนนะกลุ่มนี้เป็นอุเฉทิฏฐิเพราะถือว่าพวกนี้ตายแล้วศูนย์คือชีวิตตายแล้วจบเลยเนี่ยนะส่วนพวกสองปรสามประเภทเนี่ยนะที่เหลือเป็นสัตตะทิฏฐิเนี่ยนะพวกนี้ถือว่าเที่ยงตายแล้วไม่ศูนย์นะมันยังมีอีกนะมันเที่ยงมันแน่นอน กลุ่มแรกเนี่ยนะพวกเนี้ยยึดถือรูปเป็นอาตาัตราส่วนกลุ่มที่เหลือสามถือนามเป็นอาตาัตราเนี่ยนะยึดรูปบางพวกยึดรูปบางพวกยึดนามเนี่ยนะก็ขันอื่นๆก็จะนัยยะเดียวกันการเข้าไปเห็นแบบนี้เนี่ยนะเรียก อีกชื่อหนึ่งว่าอัตวาทุปาทานเนี่ยนะชื่อเขาเต็มๆเรียกว่าอัตวาทุปาทานเมื่อมีอัตวาทุปาทานอย่างนี้เนี่ยนะที่เป็นเหตุของอุดเฉดกับสัสถะทิฐิพอพอมีอุดเฉททิฐิอย่างนี้เกิดขึ้นในรูปประคันทาไงกันนี้ สมมติถ้าร่างกายเนี่ยตายแล้วศูนย์เขาบอกว่ารีบบริโภค ก, ก, กามให้มากเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วจะได้อดมันจะอดนะนะะงั้นก็รีบเสวยกรรมเอาไว้ให้เพียงพอกลุ่มอุเชททิฐิก็จะไปทํำบาปอย่างนั้นส่วนกลุ่มศาสนาทิฐิก็เอ๊ะทำยังไงจะได้ไปอยู่ในโลกนิรันดร์ได้ไปอยู่ในที่ที่มันมั่นคงมันถาวรหน่อยนะก็หาเหตุไปแต่ว่าโดยรวมๆก็สองทิฐิเนี่ยเป็นไป ปุตุชนก็จะคิดอย่างนี้หนึ่งถ้าไม่มุกมกมุ่นบริโภคกามก็คิดเรื่องโลกหน้าที่มันอมตะเนี่ยนะก็คิดอยู่เท่านั้นนะสองกลุ่มอันนี้ปุตุชนคิดนะแต่ถ้าพระถ้าริาายะท่านคิดยังไงนะท่านมีรูปประขันเป็นอารมณ์แต่มีในฐานะมีสังวรวินยัยกับ ปหาณวินั ย, ยนนฟังสายบาปเนี่ยนะพอนะพูดมามันเป็นอยู่แล้วพอมอีสังวรวิไนเนี่ยนะในรูปประขันเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างที่แรกเลยท่านมีปาติโมคสังวร หรืออีกศัพท์หนึ่งว่าศีลสังวรคาว่าสังวรโดยศัพท์แปลว่าปิดสังวรนี่แปลว่าปิดบาปปิดกายวาจาและอาชีพไม่ให้เป็นบาปเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปประขันอันนี้แหละเรียกว่ามีศีลสังวรเพราะว่าศีลถึงจะมากขนาดไหนจะเป็นของคารวะของพระพิสุก็ตาม แต่ว่าโดยรวมๆก็คืออะไรกายวาจาอาชีพถ้าเข้าไปทำโดยกุศลในใ น, ในขันเหล่า น, น, นั้นก็ถือว่าเป็นเป็นกุศลศีลเป็นศีลแต่ศีลเหล่านั้นจะมีได้ก็เนื่องจากมีสติเนี่ยนะกายวาจานะกายวาจาอาชีพได้ก็อาศัยสติที่ปิดไม่ให้อภิชาตโทมนัสเกิดในทวารหก อันนี้มีสติเรียกว่าสติสังวรนะผู้ที่มีสติสังวรเน่ยนะที่จะรักษาได้อย่างนั้นก็เนื่องจากมีญาณสังวรคือมีปัญญาเนี่ยนะตั้งแต่กรร ม, มสกตาเป็นต้นจนถึงอริยมรรคปัญญาแล้วนะแต่ผู้ที่จะรักษาสังวรเหล่านี้เนะียที่จริงสามศัพทนะ์นะศีลสมาธิปัญญาแล้วนะสามคำเนี่ย น, นี่ศีลสมาธิปัญญา คนที่จะรักษาอันนี้ได้ต้องมีขันติเนี่ยนะที่จะบําเพ็ญกุศลแลรทำเหล่านี้ให้ต่อเนื่องได้ น, นะคนที่ขันติเนี่ยนะอดทนและนั่งกัดฟันนะไม่ใช่เขมีความเพียรในการกําจัดบาปมีความภาคเพียรในการเจริญบุญ น, นะอันั้นพระระยะทั้งหลายเมื่อเกี่ยวข้องกับรูปประขันจะเกี่ยวข้องด้วยสังวรทั้งห้าอันนี้ข้อแรกก่อน ที่ท่านสังวรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะท่านต้องการละไอ้รูปประขันเนี่ยเป็นอย่างมากเนี่ยนะต้องการละฉันทราคะในรูปประขันทีนี้การละฉันทราคะก็ด้วยประหารวินัยทั้งห้าหนึ่งตะทางค่าประหารนะเนี่ยนะปาติโมขสังวรตรงๆก็เป็นตทางค่าประหารเนี่ยนะ ส่วนยาณสังวรที่แบ่งเป็นโลกิยะกับโลกุตระแต่บางแห่งนี้ศัพนีเนี่ยหมายถึงวิปัสสนานะอันนี้เป็นตะทางค่าประหารค่าตามเนติปรกรณ์นะนะเอ่ อ, อ, อขออภยัยเออเนติปรกรณ์ที่อธิบายอาชีตามานวกิกาปัญหาว่ากระแสเหล่าใดนะในโลกนี้สติเป็นเครื่องกัน้นกระแสสติอันนั้นหมายถึงสติที่เกิดร่วมกับ วิปัสนาปัญญาเนี่ยเป็นตัวปิดกั้นกระแสปัญญาอันนี้หมายถึงมครคปัญญ า, านนมนกนะมรคปัญญาเนี่ยเป็นตัวปิดกั้นกระแสเพราะฉะนั้นปาติโมขสังวรกับสตินี้เป็นตะทางข่าประหารส่วนตรงขันติวิริยะพวกนี้ก็เป็นวิขำพนะประหารา น, นโดยเฉพาะขันตินี่นะถ้าขยายให้เต็มคืออะไร คือเมตตาหรือพรหมวิหารทั้งหลายก็อยู่ในกลุ่มวิขัมภนะปะหารเนี่ยนะทั้ทงแต่ทางข้าปะหารวิขัมภนะปะหารที่เจริญก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมุทเฉทะปะหา ร, ร, หารคืออริยมรรคเนี่ยนะมรรคให้ผลเป็นปฏิปสัสสติปะหาร แต่ว่าทั้งสมุดเชิทั้งสมุดเฉ ท, เทประหารและปฏิปัสสัตย์ประหารเนื่องจากมีอารมณ์คือนิสรณประหารเนี่ยนะแล้ก็จะสัมพันธ์กันเนื่องจากพาระอริยะท่านมีวินัยทั้งสิประการในรูปประขันท่านจึงไม่เกิดบาปอากุศลคือไม่ได้เข้าไปมีสากายยะทิฐิเพราะฉะนั้นถ้ารูปประขันแปรไปเนี่ยนะ ท่านมีเกาะมีที่พึ่งแล้วอันนี้นะธรรมะเหล่านี้เป็นเกาะและเป็นที่พึ่งของท่านท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็เลยไม่ต้องหวาดสสด้งเพราะถือมั่นเลยเนี่ยก็ดูหน้าแรกๆก็มีนะอัตกษถาเรื่องแรกๆเลยมีสูตรแรกๆ ส่วนสูตรที่2จะคล้ายกันแต่วิธีแสดงต่างกันในอุปาทานปริตัสนาสูตรที่2เนี่ยนะก็คือดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงความสะดุงเพราะความถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ความสะดุงเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างไร ดูก่อนภี่สูทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเราเอตังมามะนะนั่นของเราก็คือเข้าไปเพลิดเพลินในรูปด้วยอำนาจตันหาเราเป็นนั่นก็คื อ, คอมามะนะนะคือว่าอาหารการนะนะเกิดขึ้นา่ามานะก็เกิดขึ้นนั่นเป็นอัตตาของเราก็ทิฏฐิคือเข้าไปมีตันหามานะทิฏฐิในในรู ป, ปขันอีกชื่อหนึ่งบอกว่า เข้าไปมีธรรมะเครื่องเนิ่นช้าในรูปประคันเนี่ยนะก็คือเข้าไปเพลิดเพลินไปไปให้ความสําคัญในรูปอย่างเต็มที่เลยนะด้วยตัณหามาณทิฏฐิเสร็จแล้วรูปมันก็ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดใช่ไหมรูปของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาจึงเกิดขึ้นนะ ก็คือเข้าไปมีตันหามานะและทิฏฐิในในรูปขั น, น, นในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เหมือนกั น, น, นคือเข้าไปสําคัญด้วยอํานาจตันหามานะทิฏฐิในในขันทุกขันเลยเพผลท่าขันเหล่านั้นแปรปรวนไปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็เกิดขึ้นก็เพราะกิเลสที่มีในขันนั้นแหละว่างั้น อันนี้เท่ากับกล่าวอะไรสัจจะอะไรไปแล้วสองสัจจะแล้วนีทุกขสัมมุทยัทยสัจก็ไอ้กุปาทานนัขันเป็นทุกขสัจไอ้ความเข้าไปถือมั่นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นเป็นอัตตาของเราอันนี้เป็นสัมมุทยัทยสัจเนี่ยนะก็ปุตุชนเนี่ยนะถ้าพระองค์ตรัสว่าปุตตุชนน่ะนะไอ้ชาติที่แล้วเราก็ไม่ได้เป็นอริยะอะไรก็เป็นปุตุชนน่ะนะถ้าชาตินี้ไม่ได้เป็นผ้าอริยะชาติหน้าก็เป็น ปุตุชนก็มาเข้าแบบอันเดียวกันนี่แหละคือไปมีตันหามานะทิฏฐิในอุปาทานขันทุกชาติทุกชาติไปนะถ้าไม่ได้เป็นพระอริยะก็อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าขันท่าแปรปรวนไปก็ก็ร้องไห้ไปเป็นแต่ถ้าเป็นพระอริยะแหละที่เป็นวิวัตะนะั่นโลกุตระวาดูกรที่สูตรทั้งหลายก็ความไม่สะดุงเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีอย่างไรดูกรที่สูตรทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นรู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราคำว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเข้าไปเห็นยังไงเห็นโดยความเป็นทุกข์เ่นะเพราะอะไรเพราะว่าไปเห็นว่านั่นเป็นเรานี่นี้เป็นชื่อของตัณหาถ้าจะไปเห็นแล้วว่านั่นไม่ใช่ของเราก็ต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะโดยทุกขลักษณะคือทุกขังพยัตเถนะต้องไปเห็นในขันว่าเป็นภัยจริงๆนะจึงจะละความสาคัญว่าเป็น ของเราได้ไม่เห็นว่าเราเนี่ยเป็นนั่นนะ mm. คือเราไม่เป็นนั่นนะนะเห็นยังไงจึงจะละมานะได้ mm. ก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะที่จะเห็นแล้วละทิฐิได้ต้องเห็นโดยความเป็นอนัตตา mm. ก็คือเข้าไปเห็นในขันทั้งรูปเวทนาสัญญาขันวิญญาณขันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา อันนะั้นก็จะพูดหยุดไว้เท่านี้ถือว่ารู้กันว่าถ้าเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาบริบูรณย่อมยังนิพิทาให้บริบูรณ์นิพิธาที่บริบูรย่อมยังอนนะวิราคะนิโรธปฏินิสักขะให้บริบูรณ์ไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นแสดงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ถือว่ารู้กัน น, นะนะก็เห็นเป็นทุกข์นะฮะก็เป็นลดอัด ล, ล ด, ลดตันห า, หาใช่ไหมฮะแต่ทาไมจึงไม่ลดมานะด้วยครับก็เห็นเป็นทุกข์คนเลวลาอยู่แล้วทำไมจึงต้องไปไปเห็นเปเทียบถ้าถ้าว่ารวมๆนะถ้าเห็นด้วยความเป็นทุกข์น ะ, ะมันก็ยังเกิดเปรียบเทียบนะว่า เ, เรานี่สุขภาพไม่ดีคนอื่นเขาก็เขาก็สุขภาพดีนะคือจริงๆมันก็ละแต่ว่าไม่ใช่ตรงๆตัวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คาว่าเป็นทุกข์เนี่ยเช่นว่ามันเป็นภัย บางคนก็ยังไปคิดว่าอย่างอื่นเนี่ยปลอดภัยอกีกลักษณะของมานะเนี่ยนะก็คือการเข้าไปเปรียบเทียบเราไม่เที่ยงแต่คนอื่นเข้าเที่ยงอะ่ะเราเป็นทุกแต่คนอื่นเขามีความสุขกันอ่ะนะเรานี่ทําไมสุขน้อยจังเป็นต้นเพราะ น, นั้นอันเนี้ยจึงไม่ได้ละมานะตรงๆแต่ถ้าเห็นว่ามันจะใครก็ช่างเถอะไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละไม่ได้คงทนถาวออะไรถ้าอย่างนี้ก็ละมานะเนี่ยได้คือทั้ง สมมตินะพวกบัณฑิตทั้งหลายเขาจะมีมานะเพราะเขามีความรู้กันไงก็บอกว่าทั้งโง่ทั้งพานทั้งฉลาดทั้งดีทั้งจนทั้งร่ารวยขนาดไหนตายเหมือนกันหมดเนี่ยนะ m a ตรงนี้มันก็ลดไปเยอะนะคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยเน้นไปที่ตายเลยแหละ เ, นะเพราะว่าไอ้ไม่เที่ยงอย่างอื่นเราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เลยไอ้ไม่เที่ยงอันนี้ถ้ามันปรากฏเมื่อไรแล้วก็ร้อนนะ นะสรุปว่าพระอริยะไม่ได้เข้าไปสำคัญในรูปประคันโดยตันหามานะทิฏฐิเข้าไปเห็นรูปประคันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองในอัตถกถาทีบายว่าพระองค์ตรัสวัตตะและวิวัตตะในสูตรทั้งสี่เนี่ยนะที่ผ่านมาก็คือก็แยกออกวัตตะกับวัตตะคืออะไรคือทุกขศาสต ร, ร์กับสมุทัยศาสต ร, ร์ส่วนวิวัตตะนั้นคือ นิโรศัตท์กับมัคษัตท์เนี่ยนะที่ที่กล่าวมาเนี่ยจะจะแยกทั้งสองฝ่ายเลยแยกทั้งวัตตวิวัตต์คือเรียกให้มองให้เป็นสังสารวัติไปเลยและดับสังสารวัติได้ยังไง